อยากที่อยู่ข้างในของเราตัวอยากมันบังคับเราแต่อดบเวลาดังนั้นการเจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราต้องการเอาตัวสติสมาธิปัญญาใช้ลงไปในชีวิตของเราแทนความอยากถ้าเราไม่สามารถเอาตัวสติสมาธิปัญญานี้เข้าไปแทนความอยากได้เนี่ยปฏิบัติไปเถอะท่านว่าร้อยวันพันปีมันก็ไปไปไหนดังนั้นเป้าหมายของเรา ในการปฏิบัติก็คือเอาตัวที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละมาเป็นตัวชีวิตให้ฝึกใช้กับมันไปเลยนะเราอปฏิบัติทำตอนฟังทำแล้วบอกเ อ, อให้มันจบเพื่อจะรีบไปอะไระรีบไปทานข้าวทานข้าวก็อยากให้มันเสร็จอยากจะรีบลุกไปทานน้ําทานท่าจะรีบไปไหนแกรีบไปปฏิบัติ พ อ, อไปปฏิบัติแล้วจะรีบให้มันเสร็จมันจะเป็นอยู่อย่างเนี้ยตลอดที่เท่าที่มาสังเกตบกางครัโยมเก็บหนังสือเพื่อจะได้ฟังทำก็รีบเก็บอีกอที่นี่ในช่วงที่ทําเนี่ยเราไม่ได้สังเกตเลยว่าเราได้ ส, สติลงไปไหมเราได้ใส่สมาธิลงไปไหมเราได้ใส่ปัญญาลงไปไหมเราได้พลาดหมดเลยอย่าว่าแต่โยมแม้แต่พระนักปฏิบัติเองก็พลาดหมดในจุดเนี้ เราเลยไม่มีความสุขอยู่กับสติสมาธิปัญญาในชีวิตจริงมาสังเกตอยู่เสมอในจุดนี้สังเกตนักปฏิบัติสังเกตพระเนรสังเก ต, เกตนักปฏิบัติของเราเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมันไปกับความอยากทั้งหมดมันไม่ได้ไปกับสติสมาธิบางครั้งมีบางคนก็นึกได้ก็ เ, เริ่มมีสติเอาพอเพลออีกไปกับมันอีก ถ้าตราบใดตัวสตินี้ยังไม่เป็นอันเดียวกับชีวิตนะการปฏิบัติของเราก็ยังไม่จบยังไม่จบไม่สิน้นต่อเมื่อใดการใช้ชีวิตของเรากับการมีสติเป็นอันเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าจบพรมอาจารย์ น, นะพรมอาจารย์ไม่มีที่จบนะไม่ใช่ปฏิบัติไปจนไม่มีที่จบมันจบต่อเมื่อสติสมาธิปัญญากับชีวิตจริงเนี่ย เป็นอันเดียวกันถ้าตราบใดยังแยกกันอยู่แล้วนี่ยังนะยังไม่จบดังนั้นการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ลึกอยู่เสมอเนี่ยให้มันเป็นชีวิตนะให้มันเป็นชีวิตถ้าหากว่าใครก็ตามสามารถนำเอาตัวสติสมาธิปัญญาที่ฝึกห้าวันเนี่ยเพียงพอละเพียงพอ ที่จะนำไปใช้กับชีวิตนับตั้งแต่ตื่นจนหลับนอนให้คอยระลึกอยู่เสมอว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเราได้ใช้สติอย่างที่เราฝึกมาไหมขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เราใช้สมาธิอย่างที่เราฝึกมาไหมขณะ น, นี้และเดี๋ยวนี้เราได้ใช้ปัญญาที่ได้ฝึกมาไหมคอยระลึกอย่างนี้เสมอนั่นเรียกว่าการปฏิบัติแต่เมื่อใดมันเกิดความรีบร้อนขึ้นมาให้หยุดก่อน ให้หยุดก่อนแล้วตั้งสติใหม่ทําอย่างนี้เรื่อ ย, เ ร, อยเรื่อยไปอันนี้จะเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุดไม่จาเป็นจะต้องว่าบทพระบทเน้นบทเทนบทชีบางคนที่ปฏิบัติแล้วก็อยากจะบวชคนที่บวชแล้วก็อยากจะเผยแพร่คนที่เผยแพร่แล้วก็อยากจะดัง คนที่ดังแล้วก็อยากจะดังมากๆขึ้นไปอีกมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเอามาว่าโอ้นักปฏิบัติธรรมนี่พลาดมาตลอดเลยอย่าพูดถึงผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัตินะผู้ไม่ได้ปฏิบัติที่แน่นอนไม่ว่าพระว่โยมนะจะอยู่ในกระแสะวังวนของความอยากทั้งหมดเลยนั้นเองในการศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ต้องทุกระยะเลยนะดังนั้นที่ว่าปุถุชนเป็นคนหนาคือคือหนาด้วยความอยากนี่แหละมันหนาด้วยความอยากแต่เมื่อใด <c oughs> เราเริ่มใช้สติสมาธิปัญญาในการทําอะไรเนี่ยเราจะบางทันทีเลยข้อบางก็คือมีสติสมาธิเข้าไปถึงใจนี่แหละมันบางแต่สติสมาธิปัญญาเข้าไปถึงใจไม่ได้ก็พราะมันตัวเนี่ยตัวกั้น คือตัวอยากเนี่ยมันหนาอยู่ดนั้นตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่อะไรคือการต่อสู้กับความอยากของตัวเองความอยากที่มันขับเคี่ยวและความอยากนี่มันทำให้เราทาอะไรรีบร้อนและความอยากนี่เองมันทำอะไรให้เราลืมตัวนะเราขาดความยับยัง้งขาดการพินิษพิจารณา นั้นเองในจุดนี้เองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆท่านจึงไม่อยากจะสอนท่านท้อว่าคนเราเนี่ยปฏิบัติกันมากมายมหาศาลแล้วที่หรือชีชีพัยในสมัยนั้นพระ อ, องค์ก็ปฏิบัติมาทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครเข้าถึงจุดนี้เลยพอมาโฟมาเข้าถึงจุดนี้ปั๊บเนี่ยท่านท้อว่าไอ้คนนักปฏิบัติก็ตามไม่ปฏิบัติก็ตามเนี่ยไม่เห็นจุดนี้เลยก็ไม่อยากสอน ตามตำนานบอกว่ามีเท้าสามบดีพรมรู้ความปริวิตกอันนี้ของพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปกราบเข้าไปกราบบอกว่าที่เราอาราธนาธรรมว่าพรมมาจะโรกาทิปติจะหังปติกัดอัญเชลีอันทิวังอญญายาจธาสันติธาสตาปั ส, าปสกาเทเสตุทำมังนุกรรมปิมังปะชัง แปลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าชื่อว่าเท้าสามบดีผมได้กระทำอัญชลีประคองอัญชลีข้ามาเพื่อขอให้พระองค์ได้เอื้อเอ็นดูกับมูสัตว์หรือคนที่ยังมีกิเลสในดวง่างเบาบาง คนที่มีกิเลสในโดดเบาบางนั้นมีอยู่ขอไปองค์จงแสดงธรรมแก่คนเหล่านั้นเถิดอย่าพึ่งท้อนะได้อาราธนาแบบนี้องค์ก็เออมันน่าจะเป็นจริงก็เริ่มนึกถึงนึกถึงครูบาอาจารย์ของตัวเองก่อนใครเป็นอุูบาอาจารย์สอนพระ อ, องค์แต่ความจริงพระ อ, องค์ไม่มีครูบาอาจารย์คือตัวครูบาอาจารย์สอนเรื่องเรื่องสมถาะานั่นแหละ ที่ว่าอาราและดาบดกบอุทะกาดาบด ท, ทั้งสองท่านคือสอนสมถะไม่ได้สอนวิปัสนาแต่ในส่วนวิปัสนาในพุทธองค์พบเองเห็นเองแต่ส่วนสมถะนั้นน่ะมีครูบาสอนอยู่สอนมาเยอะก่อนอาราและดาบดกอุทะกาดา บ, กบากาดาบ ก, บก็หลายองค์อแต่องค์สุดท้ายที่มาสอนสมถะองค์ก็สององค์นี่แหละก็ลึกถึงทั้งสองท่านก็จะไปเอาเรื่องนี้ไปบอกไปสอนกับอาจารย์ทั้งสองถามข่าว ถามไปทาไมทราบว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นได้ตายไปเสียก่อนแล้วโดวยไปโปรดหรือไปสอนไม่ทันก็ต่อไปลเลยลึอกอีกว่าใครที่เหมาะสมที่จะมีดวงตาเบาบางมีกิเลสในดวงตาบาก็ น, นึกถึงเพื่อนทั้งห้าคนที่เคยมาปฏิบัติ ด, ด้วยกับท่านคือเป็นเจวคีทั้งห้าว่าทั้งห้าท่านในปฏิบัติเอาจริงเอาจังน่าจะรู้ได้ก่อนก็เลยไปหาเป็นเจวคีทั้งห้า เจญจวีระห้าเห็นท่านตั้งแต่แรกก็ก็ไม่อยากจะต้อนรับละเพราะอะไรเพราะว่านึกว่าเพราะที่หนีมาเนี่ยพอเห็นเจ้าชายชิตตะหรือสมณะสักยะบุตรคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความมากๆคือหมายความว่าเลิกบําเพ็ญทุกริยาทั้งหมดหลังจากที่ด้านได้นิมิตจากอืมพระอินทร์ที่ว่ามาดิดพินสามสาให้ฟังว่าเออปฏิบัติที่มันตึงเกินไปมันก็จะตาย ย่อนเกินไปมันเข้าถึงตัวภาวะนี่ไม่ได้ก็ามาทําพอดีกินพอดีอยู่พอดีนอนพอดีไม่ได้ทําเคร่งคัดเหมือนเมื่อก่อนเป็นเยาวกีทั้งห้า ก, ก็นึกว่าพระองค์เลิกแล้วเลิกปฏิบัติก็เลยพากันหนีไปอยู่ป่าอิสิประมคา ย, ยวันพอพระองค์ไปถึงก็เห็นพระองค์มาแต่ไกลก็นัดกันว่าเออเราไม่ต้องลุกลับกล่าวไหวนะเพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติอะไรแล้วอม แต่พอไปถึงไปเห็นจริงๆแล้วปรากฏว่าทั้งห้าองค์นก็สังเกตเห็นบุคลิกหน้าตาฝ่องใสไม่เหมือนเดิมก็เลยเผลอลืมคำสัญญานั้นเผลอลุกลับกลับไหวอ่าพระพุทธเจ้าบอกว่านั่งลงจะแสดงทำให้ฟังอ่าทั้งห้าก็ไม่ไม่ไม่ไม่นั่งไม่ไม่ไม่ฟังเพราะว่าเอ๊ะท่านมา เลิกความเพียนเวียนไม่พอา ม, มา ก, มากจะมีทําอะไรมาแสดงพระพุทธองค์บอกเตือนถึงสามครั้งครั้งที่สามถึงก็ บ, บอกว่าเราเคยพูดอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าทาั้งห้าองค์ก็นึกไดอ้อ๋อเจ้าชายชิติธรรมไม่เคยพูดเท็จก็เลยพากันนั่งฟังแล้วพวกก็แสดงเรื่องนี้และแสดงตรงที่ว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยความอยากตลอดคือตัญหาเนี่ย ขับเคี่ยวเราไปตลอดแล้วก็ตั้งแต่เราทั้งหลายที่เกิดมาได้ก็เกิดมาเพราะตันหานี่แหละเพราะตันหาของพ่อของแม่เราตันหาของบ้านผู้ดูของเราก็เกิดมาเป็นเราอีกพอเราเกิดมาแล้วเราก็มีตันหาเชื้อตันหาต่อไปคืออยากอีกอยากจะมีลูกมีตัวมีผัวมีเมียต่อไปอีกพอมีลูกมีเมียแล้วมีครอบครัวแล้วก็อยากอีกอยากมีครอบครัวที่ดีมีบ้านมีรถมีหน้าที่การงานมีความรู้ ทีนี้ลูกของเราเกิดแล้วก็คิดอย่างเราต่อไปเงี้ยมันก็เลยเป็นเผ่าพันธ์ของความอยากเผ่าพันธุ์ของความทุกข์อย่างเงี้ยตลอดดังนั้นเองอาตมาเอง ก, ก็ก็ไม่ต่างกับญาติโยงทั่วไปที่เคยปฏิบัติเนี่ยก็มีความอยากมาตลอดแม้บวชแล้วก็อยากอยากจะมีความรู้อยากจะเป็นครูบาอาจารย์อยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่สิ่งแวดล้องมันจะพาเราเป็น ทีนี้เมื่อมาพบหลวงพ่อเทียนแล้วเนี่ย ก, ก็เราก็อยากรู้อย่างท่านอีกแหละความอยากก็บังคับเราอีกเราอยากจะอยากจะเป็นอย่างท่านแต่เราไม่รู้ว่าเรามีอะไรจนกระทั่งความอยากนั้นเนี่ยบังคับเราเราก็เริ่มเห็นเมื่อก่อนเราไม่เห็นนะพอมาเจริญสติบแบบหลวงพ่อเทียนเริ่มเห็นความอยากเพรความอยากมันมีหลายชั้นเหลือเกินเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยมันหนาหลายชั้น ชั้นนี้เป็นดินชั้นนี้เป็นหินชั้นนี้เป็นทรายชั้นนี้เป็นผาชั้นนี้เป็นตมเป็นเลนลงไปตามลาดับความอยากของเราก็เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างนั้นแหละที่เราต้องขุดลงไปเมื่อเรามาเจริญสติแล้วนี่เราเริ่มเห็นความอยากความอยากนี่มันหลายชั้นหลายเชิงเลื่อนมีความละเอียดอ่อนเลืกินนันนั่นก็เริ่มเริ่มเห็นทางที่จะต่อสู้ละ เมื่อก่อนที่เราไม่ได้เจริญสติเนี่ยเราไม่เห็นทางเราปฏิบัติก็เนื้อว่ากิเลสมันเป็นตัวอย่างเราก็ปฏิบัติไปอ่าเดินจงกรมสร้างจังหวะทำเต็มที่แต่ว่าเดินจูกรมสร้างจังหวะปฏิบัติเท่าไรเท่าใดไอ้ความอยากมันก็ยังมาเหมือนเดิมเมื่อก่อนมันอยากอ่ามีอยากดีอยากเด่นแบบทั้งโลกอยากมีข้าวมีของอยากมีชื่อมีเสียงแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วมันก็อยากอีกแบบหนึ่ง อยากจะพ้นทุกข์อยากจะหนีทุกข์ก็เป็นความอยากอันนี้เป็นความอยากชั้นดีขึ้นมาแล้วเนี่ยความอยากชั้นแรกมันแข็งมากความอยากทางโลกโลคียวิสัยเนี่ยมันเหมือนกับดินชั้นแข็งแต่พอเราขุดลงไปเนี่ยดินมันเริ่มอ่อนความอยากข้ามันความอยากชั้นละเอียดลงไปมันก็เริ่มอ่อนแล้วเป็นความอยากที่อ่อนคือความอยากในทางดีความอยากที่บริสุทธิ์ความอยากจะมี อ่าไปหมดกิเลสชั้นนั้นชั้นนี้มันเป็นอยากที่ดีไอ้ตัวอยากที่ไปทางดีนี่เ ร, รเาโยกว่ัสัทธาตัวอยากในไปทางโลกนี่นเรียกว่าตัณหาแต่ความจริงมันก็เป็นความอยากเหมือนกันแหละเาความอยากเพื่อที่จะดับทุกความอยากที่จะพ้นทุกมันเป็นตัวศรัทธาศรัทธากับตัณหานเนี่ยมันลักษณะ อ, อันเดียวกันแต่ถ้าอยากไปทางโลกนั้นเรียกว่าตัณหาถ้าอยากไปทางธรรมอยาก ท, ทางดีนี่เรียกว่าศรัทธาเพราะฉะนั้นญาโยมก็มีศรัทธา มีศรัทธาเข้ามาวัดวามาถือศีลมารักษาศีลห้าศีลแปดอันนี้ก็เป็นความอยากแต่เราเรียกว่าศรัทธาจนกระทั่งว่าเราเห็นว่าวิธีการใดที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมันดีมันพ้นทุกข์ไปแต่ยิ่งเรารู้ว่าพระองค์นี้เป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยิ่งอยากอยากอยา ก, ยากจะทำบุญด้วยยิ่งเรารู้่พระองค์นี้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ยิ่งอยาก อยากจะได้บุญกับท่านเนี่ยมันก็เป็นเป็นศรัทธาเราเรียกว่าศรัทธาส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในศรัทธาระดับนี้มันยังอยู่ข้างนอกอยู่จนกระทั่งว่าเรามีโอกาสได้ลงมือศึกษาเรื่องสติสมาธิปัญญาความอยากก็ละเอียดลงไปอีกเราอยากจะเห็นทุกข์นีก็เป็นเป็นศรัทธาขึ้นมาและในที่สุดเราก็อยากจะพ้นไปจากไอ้ความอยากอันนี้ มี่ความอยากเริ่มพัฒนาตัวเองมันลึกขึ้นเลื่อยขึ้นเลื่อขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปัญญาเริ่มเกิดขึ้นมาแทนนี่นะตัวที่อยากหรือตัวศรัทธามันจะมันจะหมดหน้าที่ตรงนี้แหละจนกว่าปัญญาปัญญานี่หมายถึงอะไรปัญญาขั้นแรกที่สุดที่มันจะกลายศรัทธา ม, มาเป็นปัญญาเนี่ยคือได้เห็นตัวเองก่อนเมื่อก่อนเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นตัวเองเห็นตัวเอ ง, เ ห, เ, องเห็นอย่างไร เห็นตัวเองก็เห็นความรู้สึกเราไม่ได้เห็นตัวเราเป็นผู้หญิงผ yeah hm right. ู้ชายแล้วเห็นตัวรู้สึกที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ปรากฏให้เห็นตลอดถ้าเราเห็นตัวเองว่าเรายังเป็นนายนั่นนางนี่เห็นเราเองยังเป็นคนสวยคนงามเห็นตัวเองยังเป็นอาภาเป็นเดนเป็นเถนเป็นชีเป็นชาวบ้านอุบาสกปุสิกาอันนี้ก็ยังเห็นอย่างนี้ก็ยังไม่ถูกเพราะว่าเห็นมันเป็นตัวสมมติอยู่ แต่ตัวเห็นที่มันจะเริ่มมีปัญญาคือเห็นตัวปรมัต์คือเห็นตัวภาวะที่เป็นตัวรู้สึกเนี่ยเพราะขณะนี้ผู้หญิงก็รู้สึกเหมือนกันผู้ชายก็รู้สึกเหมือนกันพระเถนเนรชีก็รู้สึกเหมือนกันคือรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกสบายไม่สบายบางครั้งเราลืมภาวะสมมตินี่ไปไม่เหลือแต่ความรู้สึกนะ ตัวรู้สึกที่จิตของเราไปสัมผัสได้ตรงนั้นแหละมันเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวปรามัตดโดยที่เราไม่ได้นึกถึงสมมุติของมันเลยว่าเรากําลังเป็นผู้ฟังเรากําลังเป็นผู้พูดเรากําลังเป็นภาพเป็นเนนเป็ความรู้สึกอย่างนั้นจะไม่มีมีแต่ความรู้สึกที่เป็นสภาวะที่เป็นจริงในขณะนี้มันเป็นนี้เขาเรียกว่าตัวปัญญาเริ่มเกิดเพราะอะไรเพราะ จเจริญส ต, ติอย่างนี้นะมันถึงจะมาเห็นภาวะอย่างนี้ถ้าคนไหนไม่จเจริญส ต, ติอย่างนี้อย่างถูกต้องคือสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นความรู้สึกอันนี้มันจะไม่รู้เลยเพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่เกิดต่เมื่อปัญญามันเกิดสติตรงนี้เริ่มถูกต้องสติตนสติปัฏฐานสี่มันจะเริ่มถูกต้องเมื่อปัญญามันเกิดเพราะฉะนั้นในมรรคมีองคนะ์แปดเนี่ยท่านจึงเอาปัญญามาสอนก่อน ถ้าไม่ได้ว่าต้องรักษาศีลต้องไปให้ทานรักษาศีลต้องภาวนาถ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะในมรรคมีองค์แปดตัวสมมาทิฏฐิกับสมมาสังกปะเนี่ยเป็นองค์ของปัญญาคือต้องเห็นถูกเห็นถูกเห็นอย่างไรเห็นถูกก็เห็นตัวรู้สึกเนี่ยมันเป็นทุกข์เห็นถูกคือเห็นทุกข์กันนะถ้าเราเห็นความรู้สึกในตัวของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ ทุกในที่นี้ไม่ได้แบบทุกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวมีของทุกเพราะเจ็บเพราะป่วยไม่ใช่ทุกอย่างนั้นนะทุกในที่นี้คือทุกในอิริยาบทนั่งนานก็เป็นทุกนอนนานก็เป็นทุกเดินนานก็เป็นทุกได้กินก็เป็นทุกหิวก็เป็นทุกพอใจก็เป็นทุกไม่พอใจก็เป็นทุกเนี่ยให้เห็นทุกอันนี้ก่อน ไอ้ทุกข์ที่ว่าเราไม่มีอยู่ไม่ยินไปทุกข์ภายนอกเป็นทุกข์แบบสมมติทุกข์ไม่จริงเพราะมันแก้ไขได้แต่ทุกข์ในเรียบทเนี่ยมันแก้ไขได้เหมือนกันแต่มันจบไหมมันไม่จบมันเกิดขึ้นเรื่อยๆคนนั่งทางนี้ักพักนึงก็เปลี่ยนมานั่งทางนี้เปลี่ยนทางนี้ักทุกอีกก็เปลี่ยนมานั่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้คือทุกข์จริงทุกข์จริงคือคือเราสัมผัสมันได้ตลอดเวลา แต่ถ้าสมมุติเกิดจากไม่มีเงินหนึ่งเนี่ยแล้วก็ทุ่มเทหาเสักพักานึ่งมันก็มีเงินไอ้ทุกข์พอมีเงินก็หายไปละฮะทุกข์ไม่มีลูกพอมีลูกขึ้นมาทุกข์พอมีลูกมันก็หายไปละมันก็ไปทุกข์อย่างอื่นอีกแต่ทุกตัวในอิเดียบทเนี่ยทุกจริงเนี่ยทุกในอิรดียสัตว์เนี่ยทุกอันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่ที่ติดตัวเราอยู่ตลอด ถ้าเราไม่เห็นทุกตัวนี้ชัดๆแล้วยังแก้ทุกตัวนี้ไม่เป็นเนี่ยปัญญาก็ยังไม่เกิดเพราะนั้นปัญญาที่เกิดอันดับแรกที่สุดปัญญาเห็นร่างกายนี่เป็นทุกข์แล้วก็หาวิธีแก้มันเรื่อยๆอันที่สองเนี่ยรู้จักวิธีแก้รู้จักวิธีแก้ทุกนี่เขาเรียกเห็นถูกนะถ้าเห็นทุกข์แล้วยังแก้ทุกข์ไม่เป็นความเห็นก็ยังไม่ถูกอีกทีนี้ อันที่หนึ่งเห็นทุกอย่างนี้แหละเห็นทุกเกิดตลอดเห็นทุกไม่สบายกายไม่สบายใจ เ, เกิดตลอดอันที่สองหาวิธีแก้หาเหตุหาเหตุเกิดมันเกิดมาจากอะไรเออเรานั่งนานปวดขาปวดแต่พวกมันเกิดมันเห็นว่า Hayır, เรานั่งนานแล้วขยับหายไปพักหนึ่งอ้าวพอขยับหายไปพักหนึ่งทักพักมันเกิดอีกแล้วอา้าวเขาแก้อีกเขาขยับข้าวมาอีกพอทุ ก, อก็หายไปพักหนึ่ง แล้วก็เกิดมาอีกอย่างนี้เรื่อยไปนี่เขาเรียกว่ารู้จักเหตุละเมื่อก่อนเราเราไม่รู้นะเราเพลินไปเรื่อยๆสามารถนั่งเล่นไพ่นั่งกินเหล้านัน่งคุยกันได้ทั้งวันแต่ทุกถามว่าทุกมันเกิดไหมเกิดแต่ว่าเราไม่รู้จักทุกแบบนั้นเพราะเราไม่เคยเห็นมันนะอันที่สามให้เห็นว่าทุกนี้ดับได้ทุกนี้แก้ได้อันที่สี่ให้ขยันแก้เรียกว่ามักการรู้ อันดับแรกที่เห็นที่ถูกเนี่ยท่านมีแค่สี่อย่างหนึ่งเห็นทุกที่เกิดอยู่ทุกขณะสองหาวิธีแก้เรื่อยๆสามมีวิธีดับมีวิธีทำให้หาย4ีต้องทำเรื่อยๆถ้าหากเมื่อใดเรามีสติมาเอาใจใส่ในการดูทุกเห็นทุกแก้ทุกดับทุกอย่นี้ตลอดเป็นจนเป็นชีวิตเนี่ยนั่นเขาเราะเห็นถูกละ เรียกว่าสัมมาทิธฐิอ่านี่องค์ของปัญญานะแล้วต่อมาเป็นสัมมาสังกัปปะก็คือความคิดของเราเนี่ยไอ้ตอนที่นั่งอยู่ที่นี่มันก็ไม่คิดอะไรพอเผลอปับ๊บมันก็ไปคิดแหละความคิดที่เกิดโดยที่เราไม่ตั้งใจเนี่ยมันเป็นทุกข์เราจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามมันเป็นทุกข์ขณะที่เรานั่งฟังเนี่ยแราคิดว่าเอ๊ะ อ่าจะเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะกลับถ้กลับบ้านอย่างไรจะทําอะไรต่อไปเนี่ยมือคิดไปแล้วลักษณะที่เผลอคิดที่เป็นทุกข์นะเผลอคิดเนี่ยแต่ดูว่ามันไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์แต่ในหลักของอริยสัจเราถือว่าทุกข์เพราะมันขาดสติขาดสติเมื่อไหร่เป็นทุกข์นั้นเมื่อกี้เราขาดสติเรามีสติทางกายแล้วก็แก้ไขาทางกายได้แต่ตอนนี้ลึกเข้าไปอีกตัวสมาสังกปะเนี่ยนะสมาสกัปปะคือพยายามเข้าไป ดูความคิดปรุงแต่งคือความคิดที่ขาดสติมันเกิดนี่แล้วก็หาหาหาดูว่าไอ้ความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตรงนี้หาสมูทยัยหาที่เกิดอ้อเพอเราเผลอพราเราเถอเพราะเราไม่ได้อยู่กับความรู้สึกปัจจุบันพ่อเผลอหาเจอแล้วพ่อเผลอมันเดงคิดความคิดความเผลอที่ดับได้ไหมแก้ได้ไหมได้คือมีสติขึ้นมาปับ๊บความ เผลอก็ดับได้เป็นนิโรธทีนี้พอเราแก้ตัวเผลอตัวนี้แล้วเนี่ยถามว่าต่อไปมันจะเผลอ อ, ออีกไหมเผลออีกสักพักนึงก็เผลอใหม่อีกนี่ทํายังไงถึงจะดับได้ก็ต้องมาเจริญสติบ่อยๆเมื่อเจริญสติบ่อยๆความเผลอก็เกิดน้อยลงนี่หามักเจอแล้วเพราะฉะนั้นตัวปัญญาเบื้องต้นเนี่ยท่านให้เศร้าให้เห็นทุกสองระดับและให้แก้สองระดับ คืระดับทางกายกับระดับทางจิตแต่ว่าทางระดับทางรูประดับทางนามเห็นทางกายสมาธิิเห็นทางใจสมาสังกปะเนี่ยทางกายนี่ก็ต้องต้องทําเพราะว่าทางกายนี่เป็นตัวหลักเป็นตัวประธานให้มาฝึกทางกายเนี่ยให้ชัดแต่เมื่อฝึกทางกายให้ชัดแล้วองค์ของสมาธิก็เป็นองค์ทางใจได้ด้วย คือเห็นความคิดเห็นเหตุเกิดความคิดเห็นการดับของความคิดและเห็นวิธีดับความคิดปรุงแต่งถ้าจะว่าความคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้การปรุงแต่งด้วยแต่ความคิดที่ไม่ปรุงแต่งก็ arrested, มีนะความคิดที่ใช้สติใช้ปัญญาความคิดที่ที่ประกอบด้วยสตินี่เราเรียกว่าปัญญาความคิดที่ขาดสติแล้วเรียกว่าการปรุงแต่งเป็นอานาจของกิเลส ความคิดที่ประกอบด้วยสติที่ถูกต้องเรียกว่าปัญญาอันนั้นไม่เป็นทุกข์อันนั้นไม่ปรุงแต่งสมมติว่าจะมาถามโยมบอกว่าห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่ไอาการที่นึกว่าห้าบกห้าเป็นเท่าไหร่นึกเลขห้าออกมาห้าบวห้าเป็นสิบพอสิบนี่มันจบละมันไม่ต้องปรุงแต่งต่อไปนี่คือตัวอย่างของปัญญาคือถ้ามันได้คาตอบแล้วมันจบมันไม่ต้องคิดต่อไปอีก นั่นคือปัญญาแต่ว่าถามว่าโยมเมืเม่อคืนนี่ฝันอะไรนี่มันไม่จบแล้วฝันอันนั้นแล้วก็ฝันเรื่องนั้นก็นึกต่อไปไอ้การนึกต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบนี่นแหละมันไม่ใช่ปัญญาแล้วมันจบไม่เป็นแต่ถามบอกว่าหนึ่งวกหนึ่งเป็นอะไรบวกสองพอได้คําตอบว่าสองจบมันไม่ต้องนึกอะไรต่อไปดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรความคิดนี้เป็นความคิดที่ประกอบด้วยสติ ความคิดนี้ความคิดที่ขาดสติแล้วรู้ได้อย่างรู้ตรงที่ว่ามันจบหรือไม่จบถ้าความคิดอะไรคิดออกมาแล้วมันไม่รู้จักจบอันนังนขาดสติความคิดอะไรที่คิดมาแล้วมันจบมันแก้ปัญหาจบอันนั้นแหละเป็นความคิดที่มีสตินะดังนั้นเราจะเห็นว่าในพุทธศาสนาจริงๆท่านสอนปัญญาขึ้นก่อนในหลักแท้ๆเป็นหลักของวิปัสสนาเนี่ย แต่ไม่รู้ว่าเราเอามาทํากันแบบไหนเราก็มาสอนกเรื่องเนี่ยเราจะเข้าสู่พุทธศาสนาจะต้องมีศีลก็ะดัรักษาศีลศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยี่บเจ็ดพรรักษาศีลแบบไม่มีปัญญาเนี่ยศีลมันก็กลายเป็นธรรมเนียมศีลมันก็กลายเป็นประเพณี้รักษาศีลห้ามานานขนาดไหนบอกว่าตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่เกิดแล้วก็รับทุกวัน ส็ศพมีงานศพทุกวันไปงานศพที่ไหนพระบ่าวพ า, พ า, พาได้รับศีนศีนหาไปงานบอนงานบวชงานที่ไหนก็รับศีนแต่ก็ยังผิดศีนเหมือนเดิมเนี่ยกินเหล่ายัง <c oughs> เล่นไพ่อ ย, ยังพูดโกหก <c oughs> นะที่ก็เหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราตั้งต้นตรงนั้นมาผิดเพราะรักษาศีนไม่เกิดปัญญามันก็ผิดศีนไปเรื่อยๆอ่าดังนั้นในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่าน เอาปัญญาให้คนเกิดดวงตาเสก่อนนะท่านถึงจะบวชให้ถ้าไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมไปบวชแล้วเนี่ยโยมอย่าลืมว่าการบวชเป็นพระเนี่ยถ้าไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันยากยิ่งกว่าโยมอีกนะพระในปฏิบัติธรรมยากยิ่งกว่าโยมเพราะอะไรเพราะไปติดสมมุติว่าฉันเป็นพระฉันจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้ไดพระเลยบาปมากกว่าโยมเพราะอะไรเพราะมา ให้บริการห้องโย็หมดอ่ะวัดบ้านไม่ได้เช่าเข้าไม่ได้ซื้อเนี่ยก็ทําบาปไปทุกวันตราบใดที่พระไม่ได้ปฏิบัติทำวิปัสนานะพระที่อยู่กับวัดเนี่ยน่าสงสารท่านนะอย่าไปอย่าไปน่าสงสารนเะพราะท่านต้องบาปทุกวันอ่าต้องผิดศีลทุกวันนเนี่ยที่ว่าพระเราปฏิบัติธรรมยากเพราะว่าไม่ได้เกิดปัญญาก่อน เพราะนั้นบางคนที่มาบวชแล้วผีสีเนะี่ยมาต้องให้สือออกไปเป็นพระขาวก่อนเป็นพระขาวไปปฏิบัติให้เกิดปัญญาก่อนเมื่อเกิดปัญญาเมื่อไหร่เข้ามาบวชใหม่แต่ปัญญาในที่นี้คือปัญญาการดับทุกเห็นทุกเนาะไม่ใช่ปัญญาเรียนหนังสือนะปัญญาเรียนหนังสือเนี่เป็นปัญญาทางโลกแต่ปัญญาในการดับทุกโดยเฉพาะเนี่ยดับทุกดับปัญหาเนี่ยนี่เป็นปัญญาทางธรรมนะ เพราะว่าถ้าเราอยู่วัดแล้วถ้าหากว่าไม่เกิดปัญญาปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยบาปไปเรื่อยๆบาปหนักขึ้นเรื่อยๆมาต้องให้สึกที่สงสารท่านดังนั้นเองเราเห็นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นประเพณีมันก็เลยไม่ไปไหนนะโดยเฉพาะทางเหนือเราเนี่ยแล้วก็ญาติโ ย, ยมเราก็ค่อนข้างอาภัพตรงที่ว่าเมื่อเราหาพระที่มีสติปัญญาสอนวิปัสนามาได้โยมก็ทําตามประเพณีไปเรื่อยๆเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นทางกายทางใจก็แก้ไม่จก ญาติโยมของเราก็มีปัญหาเยอะแยะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจภายในบ้านมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องเมอเรื่องหนี้เรื่องสินไปอีลงนุงนังไปหมดก็ทุกกันเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเรามาเที่ยวนี้ถือว่าเป็นเที่ยวที่สําคัญที่เดียวเรามาฝึกฝนเพื่อเกิดปัญญาโดยเฉพาะปัญญาไหนปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาคือมา เห็นทุกมาดูทุกมาหาเหตุเกิดทุกมาดับทุกมาแก้ทุกโดยเฉพาะเลยนะสี่ห้าวันนี่นะตลอดเวลาที่พระเรากุบาอาจารย์ที่นี่เราจะไม่พูดเรื่องอื่นเลยใช่ไหมพูดถึงเรื่องเตือนให้ให้รู้นะขณะนี้อะไรกําลังเกิดเราไม่ไพูดถึงเรื่องนิทานประลัมปรลาไม่พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจเรื่องเรียนหนังสือเรื่องนักธรรมบาลีไม่ได้พูดถึงเลยพูดถึงเรื่องเนี่ยเจาะเรื่องเดียวเนี่ยรู้สึกตัวไหมขณะนี้อะไรกําลังเกิดขึ้น แล้วแก้ทุกเป็นไหมแก้ทุกทางกายให้เป็นแก้บ่อยๆทุกทางกายเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วปัญญาตัวนี้ที่เกิดจากการแก้ทุกบ่อยๆมันจะเข้าไปแก้ทุกทางใจพอแก้ทุกทางใจทาบ่อยเขา้าแก้ทุกทางกายเนี่ยมันยำได้ขนาดนี้แล้วทุกทางใจมันมากกว่านี้นะเพราะใจมันไปไวกว่ากายไวมากมันสร้างทุกได้ไวมากโยมบอกว่า จะไปกรุงเทพนี่อ่โยมจะไปถึงเนะ่ยตั้งหลายชั่วโมงเป็นสิบสิ่ชั่วโมงแต่ใจมันใช้เวลาไหมคิดถึงกรุงเทพแค่ลักนิ้วมือเดียวมันไม่ต้องใช้เวลาเลยมันไวขนาดนั้นอะ่ะเพราะนั้นคนไม่ฝึกฝนจริงๆเนี่ยก็จะทำได้ยากตรงนี้อย่างเมื่อคืนใครพูดว่าเราฝนมีดฝนพ้าเนี่ยถ้าฝนแค่ห้าทีสิบทีเนี่ยไปฟันมันก็ไม่ขาด ทุกฝนจนเป็นร้อยๆคันฝันจึงจะขาดเหมือนกันเราเจะเริญนสติเนี่ยจเจริญเล็กๆน้อยๆ เ, เนี่ยมันไม่สามารถจะตักกิเลสขาดได้มันต้องเจริญให้มากมันถึองจะตัดขาดได้ไวเพราะตัวที่จะไปตัดกิเลสตัดตัญหานะั่นคือตัวปัญญาแต่ปัญญานั้นมันต้องเกิดจากตัวสมาสติถ้าปัญญานั้นไม่ใช่เกิดจากสมาสติปัญญานั้นก็จะไปใช้ไปตัดกิเลสไม่ได้นะดังนั้นเราจึงกระตุ้นให้ทำบ่อยๆยกบ่อยๆ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะอเป็นบ้าเป็นบวมอะไรไปนะเพราะอะไรถ้าเป็นบ้าเนี่ยพวกอะตมาเป็นมาก่อนโยมเพราะพวกอะตมาทำมากันยี่สิบกว่าปีบางคนสิบกว่าปีแล้วนี่พรกอะตมาก็เป็นมาก่อนโยมถ้าจะเป็นบ้าแต่เขาบอกเป็นบ้าเป็นบ้าโดยไม่ทุกข์เป็นเหอะเป็นได้ไม่ทุกข์ดีกว่าคนดีที่เป็นเป็นทุกข์ไอ้คนดีที่เป็นทุกข์น่ยคือคนบ้าแท้ไอ้เราบ้าแบบไม่ทุกข์อ่ะยอมเป็นบ้าดีกว่านะเพราะฉะนั้น หลายคนใช่ไหมเคยมองผู้ใหญ่แก้วว่าเป็นบ้ า, าอยู่คนเดียวเมื่อก่อนนะอเห็นหนัง่งยิ้มแย้งที่ไหนก็ยกมือนั่งที่ไหนก็ยกมือเนี่ยครแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นบ้าหล า, ายคนแล้วว่าะันเป็นบ้าพร้อมกับผู้ใหญ่แก้วนะดังนั้นถ้าหากจะเป็นบ้าเพามันไม่ทุกข์กับบ้าไปเถอะใครไม่บ้าหรอกแต่เราไปเห็นคนทุกข์แล้วมันเป็นบ้ายิ่งกว่าเราแต่มันเขาเรียกว่าไอ้คนบ้าหลายคนเ้าก็ ด้วยกันก็เลยกลายเป็นคนดีไปแต่เราเราเป็นคนดีอยู่คนเดียวเรากลายเป็นบ้านในธรรมขามของคนดีนะฮะดังนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวทั้งหลายเอามาสงสารนะโดยเฉพาะคนแพร่ของเราเนี่ยเอามามาเปิดอารมปฏิบัติมาตั้งสำนักนี้สิบกว่าปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้พระเนรคนมึงแพร่จริงๆเท่าไหร่นะที่มาช่วยปฏิบัติทุวนมาจากภาคเหนือภาคเอามาจากภาคอีสานภาคต่งอื่นเพราะพระเนรทางแพร่ของเราเคยบวบปวดมาปฏิบัติแต่ว่า เอาไม่คยได้เพราะความอดทนต่ำเพราวะวิธีการปฏิบัติต้องใช้ความอดทนสูงมากเดินจงกรมได้ทั้งวันน่ะนั่งสร้างจังหวะได้ทั้งวันเอาขนาดนั้นน่ะเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีปัญญาก็เดินไม่ได้ทั้งวันนะพอเดินไปสักพักมันเมื่อยมันเบื่อมันก็เลิกแล้วแต่คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเดินได้ทั้งวันนะเพราะมันเดินไปแล้วมันเมื่อยอย่างนี้ต้องเอาอย่างนี้ พรเดินอย่างนี้มันปวดอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างแก้ไขไปได้เรื่อยๆไอการที่เราทําความเพียร น, นั้นต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญาเนี่ยมันไปไม่รอดนั้นถ้าเขาใช้ปัญญาเนี่ยเดินจงกรมสร้างจังหวะได้ทั้งวันโดยที่ไม่เหนื่อยนั่นคือใช้ปัญญาถ้าจะว่าไปคือทําบ้านเราในะปัญญาค่อนข้า ง, างน้อยไปหน่อยในเรื่องอย่างนี้ว่างั้นเถอะแต่ไม่ใช่น้อยเรื่องทางโลกนะทั้งโลกแลวบ้านเราทํามาหากินเก่งมากนะเรื่องอะไรต่ออะไรโอท็อปทางเหนือของเราเนี่ยได้ที่หนึ่ง พ่อเลยฝีมือทั้งโลกเนี่ยว่าเราไปเยี่ยมแต่เรามาอ่อนฝีมือทางธรรมพระกรรมฐานที่มาดังทางเหนือเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพระทางภาคอีสานใช่ไหมหลวงปู่แหวนหลวงปู่ซิมหลวงปู่อะไรต่างเนี่ยมันจะภาคอีสานแต่พระต่า ง, ง, ง, งทางเหนือที่จะอคารมเราถือในส่วนใหญ่ก็จเจริญไปทางโลกเหมือนกันอ่าสร้างอะไรใหญ่ๆตัวๆเนี่ยเป็นผ้าทางเหนือทั้งนั้นนะ่ะสร้างรูปสร้างเหรียญสร้างพิธีกรรมอะไระตัวๆ แต่ว่าเราไม่เคยสร้างดวงปัญญาที่จะให้โยมเข้าถึงธรรมนะเพราะฉะนั้นพระของเราที่ว่าเป็นตนบุญเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านสร้างอะไรเยอะแยะแต่ท่านไม่ได้สร้างภูมิปัญญาเพื่อจะแก้ทุกตรงนี้ก็กลับไปทางาศาสนาพราหม์อะศาสนาพุทธคือมาพูดถึงเรื่องสติปัญญาเพื่อการแก้ทุกข์เท่านั้นนะแต่ถ้าสติปัญญาเพื่อการสร้างสารร์วัตถุภายนอกเป็นพราหม์หมดนะเป็นพราหม์แต่เราไปพูดอย่างนี้นไม่ได้เขาจะโกรธว่าเขาไม่ใช่พูดไม่ได้ เพราะตัวปัญญาที่นําให้เกิดตัววัตถุภายนอกเนี่ยญาติโยมทําเก่งด้วกว่าเราชาวบ้านอเมริกาทําเก่งด้กว่าเขาสามารถผลิตยานอวกาศขึ้นไปดวงดาวดวงอะไรทั้งหลายดวงเรายังทํายังเขาไม่ได้ปัญญาทางโลกเนี่ยพวกยุโรปอเมริกาเก่งกว่าเราแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยไม่มีใครเกิดพระพุทธเจา้าและลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้านับตั้งแต่พระโสดาสกีนาคาณาขึ้นไปเนี่ยเป็นปัญญาทางธรรมนั้นใครก็ตาม สามารถนำสติสามาธิปัญญาเข้าไปแก้ไขความทุกข์ในใจได้คนนั้นเกิดปัญญาทางธรรมความทุกข์ในใจในี้ในที่นี้ได้กล่าวแล้วว่าไม่ใช่ทุกเพราะความไม่มีทุกเพราะาความอดอยากปากแห้งไม่ใช่งี้ยทุกเพราะความอยากที่มันขับเคี่ยวเราอยู่ข้างในเนี่ยความอยากเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มตั้งแต่ที่เราไม่สามารถจะมีความสุขได้ในปัจจุบันนั่นแหละมันเป็นความอยาก ทำอันนี้แล้วก็รีบไปทำอันนั้นทำอันนั้นก็รีบไปทำอันนั้นรีบความอยากลุลนเราไปเรื่อยๆนั่งก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขหันั่งตรงนี้ก็ อ, อยากจะลุกไปตรงนั้นลุกตรงนั้นก็รีบไปทํำตรงนั้นตลอดเวลาเลยไม่มีความสุขแล้วความอยากมันขับเคี่ยวเราตลอดเนี่ยขับเคี่อนเราตลอดดังนั้นเราจะทําอย่างไรญายโยมาถึงจุดนี้แล้วมีทางเดียว คือจะต้สร้างสติสมาธิปัญญาขึ้นมาต่อสู้ความอยากเท่านั้นนะในขณะที่เจะโ ย, ยม ก, ก็เออในขณะที่เราปฏิบัติอยู่วัดเนี่ยมันก็ต่อสู้ได้แต่กลับไปบ้านไอ้ความอยากมันเข้ามาเหมือนเดิม <c oughs> ก็ยังดีรู้จักร่องรอยมันได้อยู่ใช่ไหมเพราะอะไรอยู่ที่บ้านเรามันมีแต่คนอยากเท่านั้นรอบร้อมเราใช่ไหมมีแต่คนขาดสติเท่านั้นเรามีสติเราเป็นคนมีสติคนเดียวในบ้าน ไอ้คนในบ้านเขาจะว่าเราเป็นบ้าแล้วเพราะเราเป็นคนดีคนเดียวในการเป็นคนบ้านในหมู่เขาเรียกว่ามาหางด้วนนะนอ่อานนอเออยายทําไมนะเป็นบ้าเพราะยายคนดีนะกลายเป็นบ้าไปนะแต่คนเป็นบ้าเขากลายเป็นคนดีไปเพราหลายคนนะนั้นพระพุทธธาตุเรียกว่าการศึกษาแบบมาหางด้วนมาหลายตัวเนี่ยมันหางด้วนหมดทีนี้มันมีหางมาหางดีอยู่ตัวเดียวเขาบอกามาหางดีเนี่ยมันเป็นบ้าเพอะหางมันไม่ด้วนเหมือนเพื่อนในการศึกษาแบบมาหางด้วน เราไป็นางดีอยู่คนเดียวในบ้านเอการเป็นบ้านนะเพราะน้ำน้ำเป็นมาหางรวดหมดแล้วนะเขาเป็นมาหางดีนะเนี่ยเพราะฉะนนการศึกษาก็เป็นไปอย่างนั้นดังนั้นญาติโยมทั้งหลายในะโชคดีที่เรามาพูดกันเรื่องนี้ถือว่าโชคดีที่สุดนะเพราะอย่างน้อยมันจะได้มีโอกาสญาติโยมกลับไปบ้านโยมมีโอกาสได้นึกได้บ้างว่าโอที่ว่าสติที่ว่าดับทุกอย่างนี้นะเรื่อ ง, งอื่ น, เ, นเรื่องกินเรื่องทานเรื่องรักษาศีลเป็นเรื่องภายนอก แต่เรื่องรักษาจิตให้มีสติเนี่ยเป็นเรื่องของชาวผู้แท้ๆเลยถ้าแม้แต่พระแต่เนร น, นะบวชมาเป็นร้อยพรรษาถ้าไม่มาทําเรื่องนี้ก็ยังไม่ใช่พระเนรของพระพุทธเจ้านะเป็นเพียงนักบวชหุ่มพระเหลืองเฉยๆนะแต่ไปพูดอย่างนี้ไม่ได้ท่านจะโกรธในสมัยคำพูดการก็มีลทัทธิเยอะแยะนะละทัทธิที่บวชอย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าเดรธีนิครนสนชัย เขาเรียกว่าลัทธิเจ้าเจ้าลัทธิทั้งหกก็บทเหมือนเรานี่แหละแต่ลัทธิที่มาเจริญสติปัฏฐานเพื่อดับทุกข์ในมีลัทธิของผู้ทีเจ้าเขาเรียกว่าสัตต์อ่าโคตมะสมณโคตมะอ่าสัตตมะสมณโคดมลัทธิของสมณโคดมคือทําอย่างนี้เราก็เรียกท่านว่าพระผู้ที่เจ้าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครก็ตามที่มาฝึกตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานนั้นอันนั้นเป็น พุทธศาสนาเป็นชาวพุทธแต่ใครก็ตามไม่มีตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานจะบวชมากี่ร้อยกี่ศีพันษาก็ยังไม่ใช่ศา ส, สนาพุทธแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นธรรมเนียมหมดแล้วเราแยกกันไม่ออกนะถ้าเราไปพูดอย่างนี้เขาก็โกรธเราล่ะยายไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นทําใจให้เรามีสติทําใจให้เราตื่นรู้บิกบานเพียงคนเดียวแต่คนไหนมีศรัทธามาถามเราเออยายตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสติเขามานได้รู้สึกว่าเรียบร้อยขึ้นนะหน้าตาสดใสขึ้นนะ คือสึกว่าล่ะอามีสติสกตางไม่บนเมื่อเมื่อก่อนมีความเรียบร้อยอะสะอาดนาหน้าเคารพนัานนะคือยายเปิปฏิบัติอะไรมาเ อ, อถ้าเขาถามอย่างงี้บอกเขาสอนเขาเลยอืมแต่ถ้าว่าเขาไม่ถามอย่างนี้ไปบอกไปสอนเขาเดี๋ยวเขาว่าเราเป็นบ้า น, นะออไม่ต้องทําให้เราให้ดีชื่อก่อนใครจะทุกใครจะชั่วขนไหนก็ปล่อยเขาแต่ถ้าเขาเห็นเราแล้วเขามาถามเราโอ้ยายไปทำอะไรมารู้สึกไม่ทุกข์เหมือนเมื่อก่อนเลยนะ สบายโยไปยายไปทำอะไรมาถ้าถามม่โอ้ทาอย่างนี้บอกเขาเลยแล้วก็นั่นแหละคือการช่วยเผยแพร่พุทธศาสนาการเผยแพร่พุทธศาสนาตามหลักของของพุทธิยันเทสโช บ, บ, อบอกให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำให้เป็นเย็นให้สัมผัสนี่คือการเผยแพร่พุทธศาสนาถ้าหากว่าเขาไม่เขาทำอะไรไม่ถูกเนี่ย <c oughs> บอกให้เขารู้เสียก่อน อกอันนี้มันไม่ถูกนะบอกเขาแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่รับฟังนะก็แล้วก็ดูแลเอาใจใส่ทำให้เขาดูคนไหนที่เอออย่าบอกฉันรู้แล้วมันผิดฉันก็รู้แล้วมันมันไม่ต้องบอกฉันอย่างนี้ไม่ต้องบอกเลยอย่างไม่ต้องบอกให้รู้เราบอกเฉพาะคนที่บอกได้คนที่บอกไม่ได้อย่าบอกนั่นหมายความว่าเขายังไม่เกิดศรัทธาในเราเขายังเป็นวิชาที่ติปล่อยเข้าไปถ้าบอกให้รู้ไม่เขาไม่เอาก็ทาให้ดูทาให้ดูทำยังมีความสุขให้เขาดู มีสติให้เขาดูมีสมาธิให้เขาดูมีปัญญาให้เขาดูเรียบร้อยให้เขาดูทำอะไรเป็นระเบียบให้เขาดูขยันให้เขาดูเมตตาให้เขาดูนิดทาให้ดูอยู่ให้เห็นอยู่ยังมีสติอยู่ยังมีสัมปชัญญะอย่าทำอะไรที่ขาดสติถ้าคนเราคนเราทำอะไรขาดสติแล้วมันดูไม่ได้มันไม่เรียบร้อยอแต่งตัวก็ไม่ดีการใช้คาพูดก็ไม่มระมัดระวัง การใช้กายก็การเดินการเหินก็ไม่เรียบร้อยเราก็ไปทำให้เขาดูไปทำให้ดูก็หมายว่ามีความเรียบร้อยให้เขาดูรู้จักพูดจาใช่เหตุใช้ผลรู้จักกาลเทศะในการพูดรู้จักพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้จักพูดในสิ่งที่เป็นจริงรู้จักพูดคำพูดที่เป็นที่คำพูดที่น่ารักนี่นี่ทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วทาให้เป็นทาอะไรทาให้เป็น ถ้าคนคนเราส่วนใหญ่เนี่ยถ้าขาดปัญญามันจะทำอะไรไม่เป็นมันเสียหายาทำแล้วมันไม่ไม่ดีนะแทนที่จะทำให้มันทำเป็นหมายความว่าทาให้มันดูแล้วมันถูกกาลเทศะพูดเป็นทำเป็นคิดเป็นทำให้เป็นนะแล้วก็เย็นให้สัมผัสคือหมายถึงว่าทำอะไรไม่ลุกลี้ลุกลน นั่งก็เย็นเดินก็เย็นทําอะไรก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ตกไม่เสียไม่หายอ่าทําอะไรก็เงียบก็เบาที่ทําเป็นแต่คนขาดสติทําอะไรลีลงชงชางงงง่างดังหรือลงคงเค้งไปหมดนะดังนั้นตกอันนั้นเสียอันนี้หายทำคือมันขาดสติอ่ะนี่คือเราทําไม่เป็นมันก็เย็นไม่ได้ถ้าทําไม่เป็นเนี่ยมันเย็นไม่ได้ถ้าทําเป็น่ะมันเย็นได้ นะดังนั้นทั้งห้าอย่างในจำเอาไว้บอกให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำให้เป็นเจ็นให้สัมผัสอันนี้คือการเผยแพร่พุทธศาสนาการเผยแพร่พุทธศาสนาไม่ใช่ไปนั่งเทศอย่า ง, างพระทํากันตัวพุทธศาสนานะพุทธศาสนาคืออย่างห้าอย่างเนี่ยแต่ที่พระท่านเทศท่านสอนท่านอะไรท่านทำหน้าที่ของท่านนะสิ่งที่ท่านพูดดีหมดไม่ใช่หมดี แต่ดีแล้วดีนั้นเราเอาไปทําได้ไหมถ้าทําได้ก็ดีจริงถ้าทําไม่ได้ก็เป็นเพียงประเพณีนั้นพุทธศาสนาที่เผยแพร่พุทธศาสนาทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางหนังสืออะไรก็เป็นเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมเป็นความรู้นะไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ว่าเราเอาดีนะั้นมาใช้ได้ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ดีนี่มันเกิดที่เราเอาใช้ได้ถ้าเราใช้ไม่ได้มันก็ยังไม่ดีจริงนะนั่นน่ะยอดเยียมทั้งหลาย ก็โดยเฉพาะเอามาได้กล่าวแล้วว่าญาติโยมชาวบ้านถิ่นนั้นก็โชคดีมีบรรพบุรุษสืบทอดเจตนาลมของคนที่เขามีขนุกธรรมเนียมประเพณีมาดีแล้วแล้วตลอดฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีพระท่านมีศีลมีธรรมมาเป็นเจ้าบ้านมาเป็นผู้นําให้ก็ทําให้เราเข้าวัดเข้าวาหลายวัดหลายวารญาติโ ย, ยมไม่ค่อยเข้าวัดเพราะอะไรเพราะว่าพระในวัดไม่น่าเลื่อมใสเนนในวัดไม่น่าเลื่อมใส เข้าไปก็เราก็คิดว่าไอข้าวปลาอาหารที่เราไปถวายเนี่ยเอาไปให้พระให้เนนที่ไม่น่าเลื่อมใสเนี่ยมันคงไม่ได้บุญเท่าไหร่เราก็ไม่อยากไปวัดคนก็เลยไม่ค่อยเข้าวัดโดยเฉพาะทางเหนือของเราเนี่ยหาพระเนนที่มีศีลมีธรรมที่บริสุทธิ์ก็ยากเราก็ไม่อยากจะเข้าวัดเออถ้าเข้าไปวัดไหนถ้าไปเห็นพระเห็นเนนน่าเลื่อมใสแล้วก็ได้สุนทรณาพาทีเกิดสติ ป, ปัญญาแก้ปัญหาของตัวเองได้เราก็อยากเข้าเราก็รู้สึกเออไปทําบุญกับพระอย่างนั้นน่ะมันจะได้บุญเยอะ ทีนี้ไปวัดไหนก็เหมือนกันหมดเราก็ไม่อยากเข้าวัดทีนี้คนก็เลยหันหลังให้วัดปัญหามันก็เลยเกิดแม้แต่พระที่อยู่ในวัดก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้น่ะเพราะอะไรปัญหามันเกิดดะนั้นญาติโยมทั้งหลายเราไม่สูญยุคทุกวันนี่มันมืดเต็มที่แล้วนะเรามีวัดเราก็ไม่อยากไปวัดแต่วัดเราในโชคดีตรงเงี่ยมีพระครูบาอาจารย์ให้สืบทอดมาตลอดตามที่มาได้ศึกษาประวัติของวัดอ่าทางบ้นทินเนี่ยว่าเรามีครูบาอาจารย์อยู่วัดดีมาตลอดก็ทําให้ญาติโยม เป็นบาทเป็นฐานของวัดในเข้มแข็งอ่าถ้าไปวัดอื่นจะเรียกญาติโยมที่เป็นเจ้าสถาของวัดมาปฏิบัติได้ขนาดนี้ยากห้าคนสิบคนก็ยากที่มาไปเปิดที่บ้านอาตมาเนี่ยอาศัยว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันเข้มแข็งเคยมาปดิบัติที่อาตมาก่อนเพราะนั้นเขาก็เวลาไปเปิดตรงที่บ้านเขาก็เรียกกันมาก็พื้นฐานก็เดียนั่นอาตมาเคยไปปลุกพื้นฐานเอาไว้ดังนั้นทุกวันในวัดที่เป็นวัดชาวพุทธจริงๆเนี่ยโยมมันมีไม่มากนะ นะอย่างในแพร่ของเราเนี่ยมีวัดกี่ร้อยวัดแต่วจะไปถามมาวัดไหน ว, วิปฏิบัติปฏิิบัตวิปัสนาเจริญสติการเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยเดี๋ยวไปถามดูจะมีสักกี่วัดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่ากันนะแต่พูดถึงความจริงเนี่ยคมวัดนี้เป็นวิปัสนาแล้ววิปัสนาแล้วทาเราทจริญสติสัมาธิปรรัญญาแก้ไขปัญหาจริงๆริงไหมต้องไปถามดูเนี่ยมันจะมีสักกี่วัดมาว่าเป็นห้าตกใจนะใช่ไหมหน้าตกใจทีเดียวถ้าพูดถึงความจริง ดังนั้นญาโยงทั้งหลายการมาอบรมปฏิบัติเที่ยวนี้อย่าให้เสียเวลาที่เรามาฝึกแล้วพวกครูบาอาจารย์ที่มาจะ ม, มาที่นี่ไม่ได้เอาอะไรนะไม่ได้มาเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อข้าวเพื่อของเพื่อกินนี่มลมาเพื่อที่จะเอาตัวนี้มาปลูกฝังโดยเฉพาะตัวสติเนี่ยไปบางแห่งพวกจะมาต้องต้องเอาสตังของวัดเนี่ยนะไปเปิดอารมให้เขานะเสียสตังให้ด้วยแล้วก็อบรมให้ด้วยนะอะที่บ้านอาจะมาเขาเหมือนกันะ เขามาไปสร้างโรงเรียนไปซื้อที่สร้างโรงเรียนให้เขาถึงมาปฏิบัติกันไล่เอาขนาดนั้นเลยเนะี่ยเอออันนั้นหมดไปตั้งห้าทั้นสร้างโรงเรียนทั้งที่ดี้งหมดไปล้านา่าทเราได้ชาวบ้านมาแต่ก็ได้มาไม่เท่าไหร่ขนาดนั้นนะบางแห่งเพื่อที่เอาตัวนี้ไปให้เขาอืมดังนั้นเรารู้แต่ ว, ว่าในพุทธศาสนาในวัตถ ว, วาในเข้าวัดที่ใดก็มีแต่เสียใช่ไหมแต่ว่าที่วัดไปช่วยจริงๆเนี่ยมันหายากนะ เดี๋ยวก็เรื่องไรอันนั้นเดี๋ยวก็เรื่องไรอันนี้เดี๋ยวก็เรื่องไรเน้ะไม่หยุดเราบางคนไม่ไม่มีเงินก็ไม่อยากเข้าวัดแล้วทีนี้เพราะอะไรไปแล้วเวลาท่านเรียนไรแล้วไม่มีให้เขาเพื่อนมีให้หมดตัวเองไม่มีให้เราก็อายเขาก็ไม่อยากเข้าวัดแล้วทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นหมดอยูเพราะมันเป็นเพียงประเพณีวัฒนธรรมนะเลยวัดก็กลายเป็นอสถานที่ที่ว่าบ้านก็ขัดวัดก็ขูดพูดไม่ออกเราก็ไม่อยากเข้าวัดทีนี้นะ แต่ถ้าเรามาแล้วมาได้มาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแก้ไขปัญหาตัวเองแก้ไขปัญหาให้ครอบครัวเนี่ยมันคุ้มกว่าการเข้าวัดเสียเท่าไหร่ก็เสียกันแต่ที่เราเสียทั้งเงินเสียทองเสียทั้งเวลาแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอีกเราก็ไม่อยากจะเสียเวลาไปวัดเพราะเหตุเนี้ยคนเราไม่เคยเข้าวัดนะดังนั้นญยติโยมทั้งหลายโยมเอาเรื่องนี้ไปปฏิบัติแล้วสงสารคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติ พระเนนที่ไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้ปฏิบัติเราพยายามแนะ น, น, นํนำท่านแนะนําท่านสงสารท่านอย่าไปดูถูกท่านแนะนําบอกคือคนที่บวชแล้วพร้อมที่จะเป็นคนดีนะเพราะฉะนั้นผู้ที่บวชเนี่ยพร้อมที่จะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเราพ่อแม่ถึงกราบตั้งแต่แรกที่บวชใช่ไหมเพราะพร้อมที่จะฝึกอะ่ะแต่พระเนรที่ไม่พร้อมที่จะฝึกอีกก็ยิ่งยิ่งหนักเข้าไปอีกนะดังนั้นญาติโยมทั้งหลายในกา ร, รเจริญสติแบบเนี้มาว่าหาได้ไม่มี ไม่ง่ายนักะในประเทศไทยมีไม่กี่แห่งนะแต่เราก็ทํางานแบบที่เรียกว่าถวายชีวิตเพราะอะไรเพราะผู้อาตมาเนี่ยไม่ต้องการอะไรแล้วไม่ต้องการเงินไม่ต้องการทองไม่ต้องการชื่อไม่ต้องการเสียงเพราะได้ความสุขพอแล้วความสุขที่ที่มีสติสมาธิอยู่ในปัจจุบันเนี่ยพอแล้วเพียงแต่ข้าวสักมื้อหนึ่งเท่านั้นผ้านี่ก็เยอะแยะนี่นุ่งไม่หวัดไม่ไหวที่วัดนะนุ่งไม่หวัดไม่ไหวที่อยู่ที่กินอ่า เรื่องสำนักหลักแหล่งก็ไม่ต้องไปสร้างวัเดี๋ยวนี้มีวัดเยอะแยะไปหมดก็อยู่วัดไหนก็ได้พราะธรรมาไม่มีปัญหาอยู่วัดไหนก็ได้ก็เลยองมันมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยพอมีสติมีสมาธิปัญญาเจะสมบัติมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยไปที่ไหนไม่อดไม่อยากไม่ขาดไม่แพนเลยไม่ต้องการอะไรอีกเงินทองก็ไม่ต้องการวัดว่าหาลามก็ไม่ต้องการข้าวของอะไรไม่ต้องการเพราะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยนะมันมีอยู่ทั่วไป ดังนั้นญาติโยมก็เหมือนกันถ้าโยมจเจริญสติเนี่ยโยมจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างคืออะไรคือความสุขไม่ใช่ได้เงินได้ทองได้เ ข, ข, ข้าได้ของคือได้ความสุขพอได้ความสุขแล้วก็พอแล้วนี่ที่เราหาทุกหาเงินทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อจะไปแลกกับความสุขหาชื่อหาเสียงหาข้าวหาของเพื่อจะไปแลบกบแต่เมื่อโยมได้ความสุขที่มาโดยไม่ต้องหาเนี่ยเอาความสุขแบบนี้ดีฝันมันไม่ต้องลงทุนใช่ไหม ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยคนสูงวันนี้ไม่ต้องหาให้ยากเลยแต่ทําไมเราจึงไม่ค่อยมั่นใจเพราะเรายังสัมผัสยังไม่ค่อยได้ยังเกิดศรัทธาไม่เต็มที่ความอยากที่จะทํำยังไม่เพียงพอดังนั้นถ้าหาว่ามีศรัทธามีความอยากมีความตั้งใจอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยโยมมีความสุขตลอดแค่มไม่ต้องมากแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอามาได้กล่าวไว้วันก่อนหนาคนไหนรู้สึกตัวแค่ยี่สิบห้าเปเซ็ต์ไม่ตกนรกแล้วคือหมายความมีความรู้สึกตัว วันหนึ่งยี่สิบห้าปอร์เซ็นก็ชักเท่าไรวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงยี่บห้าปอร์เซ็นก็แปดชั่วโมงใช่ไหมอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นตก็สิบสองชั่วโมงอ่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนก็สิบหกชั่วโมงร้อยเปอเซ็นก็เปยี่บสี่ชั่วโมงเพราะนั้นวันหนึ่งเนี่ยโยมพยายามทาให้ตนเองให้มีสิติสักแปดชั่วโมงได้ไหวไหมหนักไปไหม แต่ทีละแล้วมานี่มันสิเปอร์เซนยังไม่ได้นะครับต้อขาดสติตลอดนะสิเปอร์เซ็นยังไม่ได้เลยตอนที่นี่มายี่สิบเอร์เนนะเพิ่มไปเรื่อยๆเตือนตัวเองเรื่อยๆ เ, เรารู้สึกตัวรึเปล่านั่งรู้สึกตัวไหมลุกรู้สึกตัวไหมล้างถ้วยรู้สึกตัวไหมถามตัวเองเรื่อยๆเยวลามันคิดไปเนี่ยอ้าวกูคิดไปแล้วนี่รู้สึกตัวรู้สึกมันคิดไปก็ให้รู้สึกนะไม่ใช่ว่าจะเคลนเกี่ยวไว้ให้รู้สึกแค่ยี่สิบ้าเปอร์เซ็น แล้วปีหน้ากลับมาอีกทีเนี่ยโยมในหน้าบานตาใสหน้าใสตาใสกันทุกคนมีความสุขกันทุกคนแต่มาแล้วหน้าดำข้าเครียดกันเลแสดงว่าโอ้ยสติมันหายไปมันไม่ใช่ 25% ้หาเปอร์เซ็นเหลือ 5% ห้าเปอร์เ็นแล้วนะแย่กว่าคนที่มาได้เจริญสติอีกนะถ้าหากว่าไม่เอานะเพราะฉะนั้นญาติโยมนี่แหละจะเป็นเผาเป็นเหล่ า, เ ป, เ, ลาเป็นกอให้ลูกให้หลานมาเที่ยวหน้าเนี่ยไม่ใช่ญาติโยมก็คนทึ่งอาจจะ อ่ม า, กก า, นนมามากกว่านี้คนเยนหนุ่มสามารถกว่านี้อีกถ้าโยมไปปฏิบัติถูกยมจะชวนเพื่อนเข้ามาได้เพราะเราเห็นทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ยิ่งเห็นคนอื่นเป็นทุกข์มากกว่าเราเราก็อยากให้เขามีทุกข์น้อยกว่าเราก็เริ่มชวนเขาเริ่มบอกเขาแล้วต่อไปบัณฑิตเขาเราก็จัดอบรมทุกปีได้แต่ถ้าว่าโยมมาปฏิบัติแล้วไมไ่ช่วยกันไปปฏิบัติก็ไม่ช่วยกันเผยแผ่โอ้ปีหน้าจัดไม่ได้ไม่มีใครมาเลยออปฏิบัติเขาที่แล้วเนีห้าวันไม่ได้อะไรเลยเสียเวลานะ ่ตั้งก็ไม่ได้เสียเวลาอีกแล้วะ ห, หมดไปเลยนี่เรียกว่าญาติโยมไม่ได้ปฏิบัติกันจริงจังก็ไม่สามารถจะมีผลงานไปแสดงให้ลูกให้หลานให้ชาวบ้านให้เขารู้ว่าเรามาปฏิบัติคือไม่มีคือปฏิบัติไปแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะเคยพูดก็พูดเหมือนเดิมเคยชกปกก็เหมือนเดิมเคยเกลกะก็เหมือนเดิมเคยนินทากันก็เหมือนเดิมเคยไม่เรียบร้อยก็เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่เขาเรียกว่าไม่ได้ผลแต่ถ้าออกไปนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะเคยพูดมากกาพูดน้อยลง เคยเดินในเล็เคาก็เดินเรียบร้อยขึ้นวีสถีขึ้นะเคยเล่าร้อนอยากทุร น, นทุรายก็เยือกเย็นขึ้นทําอะไรก็รู้สึกดูแล้วงดงามนิ่มนวลขึ้นนี่ได้ผลแล้วได้ผลแล้วอ่าจะลุกจะเดินจะเหินก็ดูหน้าดูหลังนการแต่งตัวอะไรก็ดูสะอาดเรียบร้อยหน้าตาสวยใสยิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตามากขึ้นนั่นได้ผลแล้วนะเพราะงั้นญาตโยมทั้งหลาย การมาคราวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญด้วยความตั้งใจของพ่อใหญ่แก้วพ่อใหญ่แก้วก็ปฏิบัติธรรมมาตั้งครึ่งค่อนชีวิตแล้วนะแต่ที่แกจะมีความสุขจริงๆได้ก็คงจะห้าวันนี่แหละที่มาเห็นญาติโยมมาปฏิบัตินี่แหละนะพ่อใหญ่แก้วตายตาหลับได้แล้วตอนนี้นะนอนตายตาหลับได้เลยวนะ่าเดี๋ยไม่ห่วงแล้วได้เป็นผลงานพ่อใหญ่แก้วนะถ้าพ่อใหญ่แก้วไ ม, ไม่ปฏิบัติ อาติดตามปฏิบัตินะ่ะไม่สามารถจะดึงพวอ้อาตมามาได้ขนาดนี้ที่พวกอาตมามาเนี่เห็นใจนะผู้ใหญ่แก้วนะถ้าไม่มีพู้ใหญ่แก้วนี่งานที่วัดก็เยอะนะี่คุณห้าสิบโมงสิบปฏิบัติกันนั่นก็มาเพื่อจุดนี้แล้วก็เราก็ต้องดูแลช่วยกันนะขอบคุณผู้ใหญ่แก้วที่เราติดตามมาตลอดแกก็พยายามนะพยายามไปตามหาธรรที่วัดอามาไม่ค่อยได้อยู่วัดทุเทีนะโดยเฉพาะปีทีแ่แล้วไปอยู่มุมนอกนานหน่อยถ้าเกือบหนึ่งสองปีแกก็ไปตามหา จนเที่ยวสุดท้ายได้หายเจอมาก็เอา้างานนี้ยังไงก็ต้องมาละนะก็ได้พากันมาปฏิบัติตั้งนั้นเองในวันนี้นะเราก็เป็นประการปฏิบัติอีกกวันหนึ่งเต็มวันอ่าที่แรกจะกลับไปที่น่นอีกกวันหนึ่งแหละแต่ถา ม, ถามจเจ้าว่าเทุกวันนี้ท่านอยากจะให้เราปฏิบัติอยู่ที่สักวันหนึ่งเหมือนกันนะเออก็ยังไงก็คงจะเห็นใจท่านนะะท่านก็ตั้งใจก็ขอนุโมทนาสาธุจโยมทั้งหลาย ที่ได้มีความตั้งใจนะถึงแม้จะร่างกายสังขารไม่ค่อยเ อ, อืเ้ออำนวยแต่ก็มีความตั้งใจทุกคนเราขอให้ความตั้งใจนี้จงเป็นพระวพัจจัยให้เราได้เจริญสติสมาธิปัญญาในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องจริงจังและมีความสุขมีความเจริญในธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งบันนี้จนกระทั่งเข้าสู่นิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านถือ โอดีมากเลยเป็นคําถามที่ดีมากนะ<ด>เออเนี่ยต้องมีคําถามมั่งนะดีมาเออเวลานะเออเวลาไปหาทุกเจ้าที่เจ้าฝันฝันต้องมีจูงมีหลาบไห่เนาะอ่าใจถามก่อนว่าเท่าเขาจะขึ้นเฮียนโดยที่บ่มีคันได้ไหนขึ้นได้ก่อขึ้นบ่ได้ไอการที่มีคันได้นะ่ะมีจูงมีหลับแล้วสมมุติบนเฮียนไปนิพพานนะเหมือนกันคนเขาจะไปนิพพานได้ต้องมีจูงมีหลาบก่อน แต่ว่าบนทว่ายหยอดเอาไว้เพราะว่าจริงๆลแล้วบันไดบุญใหญ่ติยูจริงว่าบรรไดเปรษฐีขึ้นเฉยเฉยโจกลาบนี่มันเปรษฐีขึ้นเฉยเฉยแต่ต้องการที่อยู่แท้ๆคือบนเฮียนที่ผ่านนี่คือม่เฮียนอยู่แต่การที่ขึ้นเฮียนได้ก็ต้องผ่านพันใดคือผ่านโจกทางลาบทุกอนคนที่หู้จักนีพผ่านแท้ๆนี่มันมีโจกมีลาบตลอดเวลาอย่างหลวงพ่อนี่บ่ยังหลวงพ่อพระเขาเนี่ย้องการเนี่งพอโจกลาบมันักเลยเกินนี่ก็มีความชุกเราเป็นโจกลาบล้วยพอโจกลาบทั้งทำนั้นบริจีวามี เงินไหลไหลมียอดไหลา ย, มยลายมีบ้านไ ห, หลายลถูกหวยมันๆนะันนี้จุกหลาบเป็นแบบนั่นนะนี่นะอันนี้เป็นจุกหลามพุทธศาสนาจุกหลามในพูทศาสนาคือจิตสะอาดจิตสว่างจิตสงบเนี่ยนี่จุกหลามจุกหลามที่หาได้ก่ถ้าสมมุติเขามีจิตใจสบายเไปกล้าไปขายกระมวนไปสมมุติว่าเขาเข้าเขาเขาเ ข, ขาค่าของขายของเนี่ยคนหนึ่งล้านหนึ่งมันนาบึงอู้โบมวลคนหนึ่งมันหยเ่ี่ย่แยมใสอู้มวนคนไปซื้อเนี่ ย, ขยเขาจะเข้าล้านได้ เออเขาล้านดีคนมันยิ้มมันอ so ู so listen, ้มวลนี่นี่คือจุกลาบจุกลาบอยู่ที่กบอู้ของเขาจุกลาบอยู่ที่บุคลิกหน้าตาของเขาจุกลาบปรโยชไปได้เงินในท้องนั่นๆจุกลาบคือมีความสุขย่ี่ยยันกระตายมีความสุขนั่นเป็นจุกลาบแล้วเพราะนั้นเข้าใจจุกลาบเสียไหมเข้าใจว่าจิตใจเขายิ้มแย้มจิตใจเขามีความสุขร่างกายเขาสุขภาพดียิ้มแย้มแจ่มใสอู้มวลนั่นเป็นจุกเป็นลาบภัยก็ใครเอาของมือหื้อละก็นิดหน่อยก็ได้หลาย เข้าใจก่กนจุกหลามดิเออนั่นนเพราะน่าจุกลามที่ได้สิงงต้งเกิดจิใจเันนี้วันจะไปเกิดที่ว่ามันได้เงินนั้งหนักถุกหวยมันมันได้เข้าได้ของนั้งนักอันนั้นบางทีวันจะจกหลามเทาว่าเป็นข้อยะน่ะเป็นข้อถ้าจใจเฮี้ยนตใจย้อยิบยิเต็มใส่มันนั่นยอดจกหลามแล้วเงินท้องกับไหลมาเทมาวัดที่นสร้างกันเนี่ยผนได้ทํามหากินก็าดหากินเป็นอย่งคนเอาเงินไปให้คนจกทํามันไหลเข้าเองนะถ้าคนมีสิ่งมีธรรมคนมะ คนสร้างเนี่ยก็ได้มดเพราะคนจีตใจเคนสบายคนก็อยากจะเข้าไปทําบุญกับคนเขาเมื่อกี้ถ้าสมมติวในเขานี่มีความสุขเขามาก้าขายคนก็ยังไม่ซื้อมาขายก็เขาเองเงินท้องมันก็เกิดขึ้นเองไงแต่บางคนนี่โอ้ฝนขายก้านั่นก้านี่แต่ใจบดีมีแต่อยากได้กําไรยิงข้ายยิงขายก็ยิงลดทุนยิงขาดทุนเีก็ลมร้ายหายสู์อย่างที่อาหารปุจุวันพราะจุกหลักบบได้เกิดขึ้นในนี่ก่อน เพราะฉลาบทีเกิดขึ้นในนี้คือชิจใจสบายชิจใจสงบแล้วก็ยิแ้แยแจ่มใสจิดใจมีเมตตากราุณามีความเมื่อเอ็นดูเฮาบด้หวังที่จะได้ของนั่นนักหวังเฮามีความสุขสงบนั่นนันกกระอแล้วอันนั้นปรโยชของลาบนะเข้าใจก๊ออ่าดีๆเขาถามดีดีนะน ะ, ะเพราะนั้นเมื่อมีกลาบชิจ่าเฮายินชิ่าสบายมันจะเป็นนิพพานกอ่าเป็นนิพพานไมได้ถือแล้วนี่นิพพานนี่รืองหลัายองก๊อปอมันเย็นสบายตั้งแต่เฮามีชีวิตอยู่แล้วนิพพานแปลว่ายน ที่ายเย็นชิจ่ายสบายก็เป็นนิพพานครับแต่ที่าจยังห้อนวุ่นวีวุ่นวายอยู่บมมีความสุขในการนั่งบมมีความสุขในการทํางานบมมีความสุขในการล่างถอยบมมีความสุขในการกินข้าวนี่โอบผมมีนิพพานอ่าผมมีนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นถ้าเข้าห่อนห่อนเนี่กินได้เขาโต๊ะบนห่อนนกินได้ก็บมได้มันมันห้อนอ่ามันห้อนชีวิตถึงเขาตะวันห้อนอยู่นะเออถ้าชีวิตห้อนเนี่ยผมมีความสุขนะ นี่คือโจกลาบเนาะวันนี้มันเกิดเวลาแล้วเนาะ <c oughs> เอาเราเอาแค่นี้พอแล้ว